วิญญาณก็เจ็บเอาไว้แล้วนม่อยอมไปไหนตั้งแต่เกิดจนตายทุกขจนตายหลงจนตายโกรธจนตายโอ้พระเจ้ายังให้ตําแนกออกว่าลูกไม่เที่ยงเป็ น, นาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงเห็นแก่เห็นเขาโูวแต่ก่อนเมือ่อกเราดูการเสแสร้งกลนมีรสชาติไปกับเขาเขาไม่ไอตี ไปเอาแป้งอยู่ล้านเจ็กติ่งมาให้สักกระป๋องห่งเขียนชื่อนายตีเสียกระดาษจุดไฟจุดไฟให้ไฟไหม้กระดาษแล้วหย่อนลงไปในกล่องปิดกล่องไว้เอาไอตีไปแล้วตีไปแล้วเอา ไ, อไปเอแป้งบ้านเจ็กติ่งมาแล้วเอามาเปิดดอกไปเปิดดูเห็นแป้งเต็มกลอ่องเลยเออก็มีรสชาตินะแม่มไม่ทาได้ยังไงเล่นคน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 ไม่ใช่ตัวลงอยู่ข้างหน้าตัวลงอยู่ข้างหลังเลื่อยไปเหมือนเราผ่าต้านข้าวที่จะออกรวงถ้าเดินผ่าน่าข้าวที่ออกรวงในแปลงนาของเรารวงมันสวนกันเหมือนเนี้วมือเราคข่วยกันนะแล้วก็แวกไปแล้วเวลาแวกไปก็เอารวงข้าวไว้หลังก็ผ่านไปผ่านไป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 ไม่ใช่เขาจะมาพาเรามาดูกานละครการแสดงดนตรีเพลงอะไรต่างๆเลยนะดูก่อนมันจะคืออะไรดูแล้วใดเวทีก็ไม่ใหญ่โตไม่มีผ้าฉากเวทีลางแค่มนี่แต่ลำโพงตั้งอยู่พอถึงเวลาคนก็มานั่งนั่งนั่งนั่งเต็มเวทีหรือเวลาก็เปิดเทลงขึ้นการแสดงบนเวทีเป็นน้ำเป็น้ำเต้นลมไหม เออมันเต้นลำมะไเกี่ยวกันจบ ก, กันเหมือนคนอะสีสันต่า ง, างๆสวยงามภาพต่างๆโ อ, อ้อะกรเออือกพอเขาจบไปคนดูก็ตบมือใช้เกียรติ้วเขาก็แสดงเขาขอรอกกันเออเราก็ดูออ่มันแสดงอะไรที่มันเป็นภายนอกแต่การแสดงภายในของเรานี้มันจริงที่สุดเลย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 ถึงปฏิพานธ์พอจบตอนนั้นก็หยุดธมัมะจบธรรมดเชา้าเพียงเท่านีน้แม้มันสุดซึ่งเหลือเกินแต่ก่อนเราว่าอย่นั้นแต่ก่อนเราเป็นผู้ดำวัดสวนมนต์ข้บทั้นมาสวดบทไหนที่มันควรจะลงลงอย่างงดงามได้เลื่อยปกออ็เป็นการช่วยเราเขี่ยเราเอาพระสูตรมาเขี่ยเรา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 ใหเหมือนทรัพสินเงินทองต้ออาศัยเหตุปัจจัยภายนอกทำไรก็ต้องอาศัยแผ่นดินน้ำฝนเมล็ดพืชเครื่องไถเครื่องอ่าวัานานาก็อาศัยรูปนาน้ำฝนคาดไถมเมล็ดพืชดูแลต้องรอเป็นครึ่งปีจึงได้ผลบางทีก็เลื่องบางทีก็ท่วมไม่ได้ผลเลยเสี่ยง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 แล้วก็ถอยออกไปแล้วก็บอกลูกว่าไปไปทางนี้ไปทางหลังไ ป, ไปเดินไปพระเจ้าชัดลาดเหลือเกินเอาเยี่ยงงกวางป่ามาสอนพระสาวกทั้งหลายก่อนจะพูดก่อนจะทําก่อนจะชิดมีสติก่อนรู้แล้วรู้สึกตัวค่อยพูดเวลาไม่รู้เตืออย่ากพูดต้องหัดตัวเองถ้าหัดแล้มวมันจะนานไหม